เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัขีสอนดิรัชานวิชาในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นปะทะโสธรรมะสมุดฐานและจิตตาคารวักที่หจบ